เอ่อเทรคถานี้นะครับชื่อว่าศีละวะัเทระคาถานะพระศีละวะัเทระบังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชคลึได้มีชื่อว่าศีวละเมื่อเธอจเจริญวัยแล้วพระเจ้าอาชาติตรู ป, ประสงค์จะฆ่าฆ่าทิ้งซะ น่ฮะคงสาจะเกงรงเราแวงว่าจะมาแย่งราชสมบัติหรือว่าจะมากบฏทีหลังเพราะว่าค่าพอไวใช่ไหมครับคันเธอจเจริญวัยแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูประสงค์จะฆ่าเธอเสียจึงยกขึ้นสู่ช้างตัวซับมันดุร้ายแม้พยายามอยู่ด้วยอุบายต่างๆก็ไม่สามารถจะให้ตายได้เพราะท่านเกิดในปัจฉชิมภพนะเป็นภพ ท, ทุกทาย ท่านจะเป็นพระอรหันต์ต่อไปไม่มีอันตรายต่อชีวิตในระหว่างยังไม่บรรลุพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความเป็นไปของเธอจึงตรัสสั่งพระมหาโมกขลานเถระวะ่าเธอจงนำศีลวะกุมารมาพระเถระได้นำเธอมาพร้อมด้วยช้างด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ใชฤทธิ์เลยนะเขาพามาเลย กุมารลงจากช้างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่อธัธยาศัยของเธอเธอฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาศรัทธามาก่อนเลยไหมบรรพชาบํบำเพนได้บวชแล้วแล้วก็บำเพนวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนะักก็บรรลุพระอรหันต อยู่ในโกศลัดลำดับนั้นพระเจ้าอาชาติสัตรูยังทรงสั่งบังคับบุรุษทั้งหลายว่าคงจะราชบุรุษนะพวกท่านจงฆ่าราชบุรุษเหล่านั้นไปยังสำนักของพระเถระยืนอยู่แล้วฟังธรรมกถาที่พระเถระแสดงเกิดความสังเวชมีจิตเลื่อมใสเลยบวชเลยนะครับ พระเถระได้แสดงธรรมแก่บรรพชิตเหล่านั้นด้วยคาถาต่อไปนี้นลองฟังดูสินะว่าฟังแล้วออกบวชเลยเนเดี๋ยวเราฟังแล้วออกบวชกันเป็นแถวเลยยุ่งเลยนะฟังดูสิเรารู้สึกยังไงบ้างาท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปราเมื่อปราถนาความสุขสามประการคือความสัรละเสริญหนึ่งการได้ความปลื้มใจหนึ่งความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้วหนึ่งพึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีล มีความสำรวมย่อมได้มิตรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามกย่อมแตกจากมิตรนรชนทุศีล น, นรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติเตียนและการเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระพึงชําระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริตทาจิตให้ร่าเริงเป็นท่าที่ย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชําระศีลให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นกำลังหาที่เปรียบไม่ได้เป็นอาวุธอย่างสูงสุดเป็นอาพรอันประเสริฐเป็นเกราะอันน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพานเป็นมหาอำนาจเป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรูปไลอันประเสริฐบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศศีลเป็นเสบียงอันเลิศเป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เป็นพาหนะอันประเสริญยิ่งนักเป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วทิศานุทิศคนพานผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทานในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกโทมนัดในอบายภูมิย่อมได้รับทุกโทมนัดในที่ทั่วไปทีระชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีลย่อมได้รับการสรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ คลั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขสมนัตในสวรรค์ย่อมรื่นเริงในที่ทุกสถานในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นยอดและเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษย์ีโลกและเทวโลกย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญาคงจากเมื่อวานนี้ก็เรียนศีลไปแล้วใช่ไหมคงจะท่องได้ใครท่องได้ยกมือขึ้น ยกมือลงขอบใจมากถ้าเราถ้าเรามีศีลอยู่นะถ้าเรามีศีลอยู่เป็นหัวข้อเราจาได้นะเราอ่านตรงนี้เราจะได้เราจะได้ความรู้แล้วจะทราบซึงอีกเยอะเลยเรานึกออกอีกหลายเรื่องนะผมยกตัวอย่างดูนะว่าคำว่า <c oughs> คำว่าท่านทั้งหลายพึงรักษาศีลศีลในที่นี้ หมายถึงวาลิตศีนและจาริตศีนเป็นต้นเป็นต้นนะอย่างอื่นมีอีกนะคือให้รักษาศีนนี้ก่อนคือเป็นศีนชั้นต้นเลยใช่ไหมเจตนาเป็นศีนเจตนาเป็นศีนก็ได้แก่วาลิตศีนและจาริตศีนถูกไหมครับคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนะฮะแล้วเมื่อรักษาเบื้องต้นแล้วก็ทำศีนอื่นๆให้บริบูรณ์ต่อไปนี่เพียงคารักษาศีลอย่างเดียวนะในอัจฉริยอธิบายไว้สบายมากเลยเยอะแยะเลย แต่ถ้าเราอ่านปั๊บนะเราเข้าใจเรื่องศีลเราก็เข้าใจเลยนะฮะศีลย่อมนําสมบัติทั้งปวงมานี่มนุษย์สมบัติที่ผสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติน ะ, ะหรือเป็นเรื่องของทิฏฐธรรมิกัตประโยชน์อะไรเนี่ยสัมปรายิกัตประโยชน์ปรามัตประโยชน์เนี่ยศีลเนี่ยนำประโยชน์หรือว่านําสมบัติทั้งสามมาให้เรานี่ในอัตถกถาท่านก็แสดงไว้อย่างดีเลยนะครับท่านบอกว่า ถึงรักษาศีลหมายถึงเช่นละปาณาทิบาตเป็นต้นและบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ชื่อว่ารักษาศีลพอบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์นี่ถ้าเราไม่เข้าใจจาริตรศีลเราก็ไม่รู้เอ๊ะนี่เป็นศีลได้ยังไงใช่ไหมนี่แสดงว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะในการที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ต่ออุปชาต่อพ่อแม่นี่นะเป็นศีลที่เป็นศีลที่จะต้องทําแล้วต้องทําให้บริบูรณ์ด้วยนะ ม่ใช่ว่าละแต่ปานาปฏิบัติอย่างเดียวนี่นี่พออ่านตรงนี้ปั๊บเราต้องรู้เลยนี่คือเจตนาเป็นศีลนะแล้วในข้อความเหล่านี้นี่นะเขาจะไล่ไปเรื่อยนะไปถึงนู่นนะครับถึงสังศีนที่เป็นสังวรทั้งหลายนี่นะครับผู้มีศีลมีความสํารวมเราพอถึงตรงนี้เราก็รู้แล้วนะเออนี่ต้องหมายถึงอะไรเนี่ยนะหมายถึงว่าศีลที่เป็นเรื่องของอะไรครับเป็น สังวร น, นะครับตั้งแต่ศีลสังวรได้แก่ศีลเช่นปาฏิโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลหรือว่าปัจจะยปริกหะศีล ป, ปัจจะยศนิสสันนิสิตะศีลนะฮะแล้วก็แล้วก็อะไร มิเีสังวร อ, อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็อยู่ในเรื่องของของศีลตระกูลสังวร น, นะในที่นี้เนี่ยนะครับท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดหมดเลยอัธกถาท่านไปอ่านเองก็พอจะไล่ไล่ได้เพราะว่าแต่ละตัวนี่นะท่านอัธกถาโอ้โหอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับเช่น <c oughs> ท่านบอกว่าสังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริตนะ สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริตนะท่านบอกว่าสังวรก็คือการปิดทาวารแห่งการเกิดขึ้นแห่งกายทุจริตเป็นต้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใ จ, จตระกูลอินทรีย์สังวรนะหรือว่าศีลที่ตะกูลสังวรทั้งหลายนี่นะเราก็คงจะเข้าใจว่เป็นการปิดทาวารแห่งการเกิดขึ้นแห่งกายยะทุจริตเป็นต้นหมายความว่าไงครับ นึกนึกถึงว่าเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปะนะคือถ้าใจเป็นบาปแนละ้วมันก็จะกายมันก็บาปไปด้วยขยับเขยื่อนทางกายก็บาปจะพูดก็บาปเกิดขึ้นนห่ะเราพยายามต้องนึกถึงในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ก่อนยกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรากำลังรับรู้อยู่นะนเช่นเรามีมีบ้านเป็นอารมณ์เลยเห็นบ้านเนี่ย อย่างไรจึงจะเชื่อว่ามีสังวร อ, อย่างที่ว่าเนี่ยเออเห็นบ้านเนี่ยเป็นศีลได้ไหมยอย่างคารวาสเนี่ยเห็นบ้านเป็นศีลได้ไหมแล้วก็ปารอบเออบ้านหลังนี้ที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์โดย<ม>ชอบทำอ่าปารอบอันนี้เป็นศีลไหมเป็นข้ออาชีวะปาริสุทธิศีลอ่าแสดงว่าอาชีวะดีแล้วนะนะเราสามารถได้สิ่งเหล่านี้โดยชอบทำทีนี้ถ้าหากว่าจะต่อ ว่าสิลอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ได้มาเพราะกายธุจริตไม่ได้มาได้มาเพราะวาจีทุจริตอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมเสร็จแล้วจะนึกถึงกายกรรมและวจีกรรมของเราที่ไม่มีโทษใช่ั้มอันนี้ก็เป็นชั้นศีลทีนี้ถ้าหากว่ากุศลเหล่านี้ดีระดับหนึ่งมันจะมองไปอีกเออเราถือบ้านเนี่ยนีโดยสุภาพนิมิตหมพอใจไหมเห็นบ้านหรือเป็นปฏิฆานิมิตไหม เล็กกว่าหลังบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เนี่ยแสดงว่าอินทรีสังวรไม่ดีละบ้านเรานี่เล็กกว่าคนอื่นหรือว่าบ้านเรานี่งามกว่าคนอื่นเนี่ยสรุปแล้วอันนี้อินทรีย์สังวรศีลสอบตกแต่ทีนี้เราจะคิดยังไงให้เป็นกุศลนะเราก็คิดว่าอาจจะเจริญมรณานุสติคก็ได้คนที่มีวางใหญ่โตกว่านี้ท่านก็สิ้นพระชนกันหมดแล้วเราก็เพียงแต่ว่าอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่อด้วยปัจจยสารนิสิตศีล ว่าเราใช้สถานที่นี้เพื่อประโยชน์อะไรใช่เราใช้เพื่อประโยชน์อะไรเราอยู่เพียงเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแด้เพื่อที่จะใช้ชีวิตศึกษาพระาศาสนาและถ้าถ้าคราวากัก็พูดนด้กว้างหว้างเลยนะศึกษาเป็นพระก็บอกว่าเพื่อประพฤติพรหมจักรนะเพื่อหลีกเล่นทีนี้เมื่อ ได้หลีกเล่นอย่างนั้นแล้วก็ต่อสมถะได้เลยสบายๆเนะจริญมรณ า, านุสติก็ได้นะถ้าจะปารามรณ า, านุสติหรือจะปาราพรหมิหารก็ได้โอ้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยนำมาซึ่งความสุขนํามาซึ่งความสบายคนที่มีอยู่ที่อาศัยเนี่ยปลอดภยัยขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้อย่างนี้กันขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขเพราะที่อยู่ที่อาศัยพยายามคิดไปหาสัตว์เหล่าอื่น ให้ทุกเหล่าสัตว์เนี่ยมีความสุขความเจริญกับที่อยู่อาศัยแนวความคิดอันนั้นเป็นเมตตาพรหมิหารต่อด้วยสมถะแล้วใช่ัหยถ้าจะต่อวิปัสสนาก็ไล่มาที่วัตถุวิญญาณและอารมณ์นะอาศัยตากับสีจิตเห็นก็เกิดบ้างก็คือรูปารมณ์นะรูปารมณ์ซึ่งมีอุตุเป็นสมุถฐาน อันจิตตกรคือนายช่างเป็นต้นเนี่ยตบแต่งมาอย่างนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นอนะอาศาัยตาใช่ไหมเมื่อพูดถึงคำว่าตาปับ๊บตานี่เป็นสังขารธรรมไหมเป็นเป็นธรรมชาติที่เกิดจากปัจจัยซึ่งเราศึกษามาก็กว้างๆไว้ก่อนก็คือตานั้นเกิดจากตามก่อนตานั้นจากจิตด้วยนะถ้าไม่เลือบก็ไม่เห็นนะส่วนหนึ่งก็จิตเป็นปัจจัย อุตุด้วยร้อนเกินไปเย็นเกินไปก็เห็นไม่ได้นะความสมดุลของดวงตาแล้วก็สุดท้ายอาหารดังนั้นกรรมจิตตัอาหารเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งตาตากับสีอาศัยแสงสว่างจิตเห็นก็เกิดดังั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยปัจจัยอะไรบ้างอาศัยตาอาศัยสีอาศัยแสงสว่างจิตเห็นจึงเกิดและมนัสิการเกิดร่วมด้วย น, นะเมื่อไม่มนัสิการวิถีจิตเหล่านั้นก็ไม่เกิดแล้วก็ฝ่ายใจในสภาพของจิตเหล่านั้น ว่าจิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นชาติอะไรจิตเห็นเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากก็เป็นเกิดจากผลของกรรมเมื่อเห็นและชาวนะเราเป็นอะไรนั่นทำกรรมใหม่แล้วนะอันโลกนี้ก็มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นเองสืบเนื่องไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เลยสิ่งใดที่เกิดด้วยปัจจัยเที่ยงมีไหมไม่มีก็ตามเห็นความไม่เที่ยงอันนี้บ่อยๆเนืองๆเป็นอัธยาสายเรียกว่า อนุปัสนาหรือรติรณปริญญาให้มากๆ น, นะตามเห็นอันนี้พ่อพูนความรู้อันนี้มากๆากังนั้นจากบ้านหลังเดียวนี้เราก็สามารถที่จะจบพรหมจรรย์ได้เหมือนกันน ะ, นะก็มองเห็นก็เจริญกุศลธรรม น, นะในอารมณ์อื่นๆก็ลักษณะนี้เดียวกันดังนั้นเราต้องมองภาพให้ออกตลอดสายว่าเห็นอย่างไรเป็นศีลอย่างไรในสิ่งเดียวนั้นแหละเห็นอย่างไรเป็นสาธกะสัมปชัญญะเห็นอย่างไรเป็นส ป, ปายะสัมปชัญญะ คือสรุปแล้วเห็นอะไรก็ตามนะกุศลไม่ค่อยเกิดนั่นแหละสแสดงว่าไม่สปายะละนะภาพอันนั้นไม่สปายะแน่นอนเสร็จแล้วเห็นแล้วเจริญสมถะได้ไหมปารพสมถะกรรมฐานได้ไหมยอย่างเมตตาเนี่ยห้ารยในนะถ้าจะทำให้ได้ฌานเนี่ยสามารถเป็นฌานจิตได้5้ารย่สานะเมตตาอันเดียวนะเป็นฌานได้ดมากมายมหาศาลอันถ้าเรามองภาพออกปั๊บ สมถะเกิดได้ตั้งหลายแง่มุมมากมายมากนะวิปัสนาเอกก็โหใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นขันท่าอเยตนาสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะสมุบาทนามรูปหรืออาหารสีอะไรก็ได้ให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะไอ้เยอะเนี่ยนะพูดมาซะเยอะเลยได้สักอย่างก็ยังดีถ้าได้อย่างหนึ่งแล้วนะที่เหลือจะได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราได้วัตถุดิบนะถ้าแม่ครัวผู้ฉลาดเนี่ยได้วัตถุดิบมาเท่าเดียวนั่นแหละสา ม, มารถที่จะตกแต่งได้เป็นรลายใน ที่จริงแล้วในโลกนี้ถ้าโดยสภาวธรรมทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกรูปนั่นแหละคิดดูนะพระพุทธเจ้านั้นเต็เป็นธรรมราชาพระองค์สามารถยักย้ายตามความตามอัธยาศัยของพระองค์ได้ในสิ่งเหล่านี้พระองค์สามารถที่จะยักย้ายคำสอนตามอัธยาศัยของหมู่เวนัสัตนะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยต้องใช้อวาตอนุสาสนีคาสอนแบบนี้นะนะสัต ประเภทนี้ต้องใช้โอวาสแบบนี้แล้วเขาจะเข้าใจเนี่ยพระองค์เนี่ย ร, รู้พระองค์ยักย้ายคำสอนไว้มากมายจึงเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำสอนทั้ง 84,000 พันระธรรมขันธ์คำสอนทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่อฝึกเวนยสัตว์ทั้งหลายที่สมควรฝึกได้อั้นพวกเราทั้งหลายมาศึกษาก็คือมามาศึกษาวิธีฝึกนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าดูก่อนพรามตถาคตเป็นแต่เพียงคนชี้ทางเท่านั้นแหละ อันพระองค์นั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นคนแต่คนชี้ทางศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นต้นท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นคนประพฤติแต่ว่าการประพฤตินั้นต้องเป็นไปตามคนชี้นะต้องเป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้เอาไว้ว่าเราเดินตามนั้นไหมนั่นแหละแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าเบื้องต้นเลยพยายามเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สงเคราะห์มาเป็นศีลสมาธิปัญญาได้ไหมเป็นปริญญาสามได้ยังไงตั้งคําถามแบบนี้ก็ได้ ถ้าฝึกถามแบบนี้บ่อยๆก็สามารถเก่งได้แล้วก็ตอบเองถามเองถ้าหากว่ามันไม่ได้จริงๆะนะผู้การก็อยู่ทั้งคนอะ่ะเย็นมาทําไมผู้การเห็นอันนี้แล้วญาตาปริญญาไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงก็ทั้มถามดูแล้วก็ตอบได้แล้วต้องถามบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งแล้วนั่นแหล ะ, ะถ้าหากว่าเราฝึกถามบ่อยๆนะเดี๋ยวจากกระต้นแล้วหรือไม่ก็เอาสัมปชัญญะสี่มาจับเอ๊ะเห็นอันนี้มันเป็นสัมปชัญญะสีได้อย่างไรถามบ่อยๆเนี่ยนะขยันถามตัวเองมากๆ แล้วกุศลจิตจะพอกพูนเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราถามบ่อยๆนะมันจะคิดคนต่อไปดงนั้นคนที่สงสัยเนี่ยนะสงสัยในลักษณะฝ่ายรู้เนี่ยเป็นความเจริญดงั้นการปุดฉานะปุจฉาเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิธานะนะการไต่ถามเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิธานันเป็นกุศลชั้นสูงเลยงั้นถ้าเราสามารถฝึกได้บ่อยๆนะเราจะเบา เดึงคําสอนส่วนใดส่วนหนึ่งมาสงเคราะห์ลงก็ได้หรือถ้าหากว่าโอ้ปริญญาสามมันหนักไปเอางี้ก็ได้โอ้เห็นยังไงเป็นบารมีสักข้องอะไรอย่างนี้นะบารมีตั้งสิบอย่างไงใช่ไหมลดเอามาอีกอเหลือบารมีก็ยังดีเป็นทานบารมีได้ยังไงเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นศีลเป็นเนกคัมมะเป็นปัญญาเป็นวิทยาเป็นสันติเป็นสัจจะเป็นอธิฐานเป็นเมตตาเป็นอุเบกขาให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะบารมีสิบบารมียากเหลือเกินเอาบุญกิริยาวัตถูกสิบไปกันแล้วกันใช่ไหม เห็นยังไงเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเห็นอย่างไรเป็นอ่อนน้อมเห็นอย่างไรเป็น น, นะการทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีการเคารพกราบไหว้จนถึงมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมถ้าฟังธรรมนักคำสอนพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ค่อยดึงนะถ้าเราขยันทำถามบ่อยๆเดี๋ยวไม่นานเราจะเข้าใจแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกนะจะจำแม่นขึ้นเพราะเรียนแบบคนอยากรู้ลนะ เรียนแบบคนมีฉันทะแล้วแต่ถ้าหาว่าอา่านเฉยๆนะ อ, อ่านก็อ่านผ่านๆไม่ตื่นตัวสักอย่างเลยเนี่ยจําไม่ได้เลยแปลกนะคนที่อา่านหนังสือเพื่อที่คิดจะไปเล่าให้คนอื่นฟังกับอ่านเพื่อรู้จําแม่นต่างกั น, นในในคนคนเดียวกันเนียในคนคนเดียวกันนี่อ่านผ่านๆอย่างเงี้ยเออรู้แล้วจะเฉยๆแต่ถ้าอ่านเพื่อที่จะต้องไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยโอ้โหนี้ต้องจําแม่นน่อยอย่างคนที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวไม่ได้คิดจะไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเที่ยวแบบเพลินๆเนาะ ไม่ได้ตื่นตัวอะไรเท่าไหร่แต่คนที่ขยันเล่าเนี่ยนะพอไปเที่ยวที่ไหนมาโหดมองเห็นอะไรมันจได้หมดเลยกลับไปเล่าให้คนฟังได้เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากคนฟังเนี่ยโหเหมือนกับไปมาเองอย่างเงี้ยนี่แหละสามารถเล่าตามได้อย่างนั้นเลยก็ได้เพราะการสนใจเป็นต้นนั้นจึงเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ดีมากโยนิโสะมนานสิการถ้าใส่ใจไปตามคําสอนบ่อยๆแล้วเราจะตื่นตัวมากและจะจําแม่นขึ้นเพราะในขณะที่สนใจมีมานาสิการเหล่านั้น นิวร์ไม่ครอบงำสาหรับเรื่องนี้เรื่องคุณของศีลทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับพระสูตรนี้นะครที่ชอบใจก็คือศีลเป็นสเบียงอันเลิศนะศีลเป็นสเบียงอันเลิศนะถามว่าท่านอธิบายว่าไงนะท่านบอกว่าสเบียงเนะี่ยอธิบายนะบุรุษ ถือเอาข้าวห่อเดินทางไปไม่ลำบากด้วยความทุกข์เพราะความหิวในระหว่างทางฉันใดแม้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ฉันนั้นถือเอาสเบียงคือศีลอันบริสุทธิ์ดำเนินสู่ทางกันดานคือสงสารย่อมไม่ลำบากในที่ที่ไปแล้วเพราะเหตุ น, นั้นศีลจึงชื่อว่าเป็นสเบียงอันเลิศเพราะฉะนั้นศีลสาคัญมากนะครับยังไงยังไงก็อย่างน้อยที่สุดก็พวกเราคารวะนะอย่าเอาไม่ถึงกับอย่างท่านพระคุณเจ้าหรอกศีลเยอะแยะ ของเราแค่ศีลห้าศีลแปเอาให้บริสุทธิ์ครบถ้วนนะครับนะฮะอนอกจากนั้นแล้วนะครับศีล เ, เป็นกำลังหาที่เปรียบไม่ได้ท่านบอกว่าศีลนี้เนี่ยเป็นเลี่ยวแรงแห่งจอมทัพอันไม่มีผู้เสมอเหมือนในการย่ำยีมารและเสนามมนนะท่านอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็หมายความว่ามาและเสนามาณคงจะรู้แล้วใช่ไหมมาคืออะไรนี่พูดง่ายๆคือกิเลสมาลก็ได้นะครับขันธมาลก็ได้นะครับหรือว่าอภิสังขารมาณก็ได้นะครับสแสดงว่ามีกําลังมากสีนี่จําเป็นมากที่จะต้องมีนะครับท่านยังเปรียกว่าเป็นพาหณะก็ได้นะฮะทําให้พาสัตว์ข้ามจาก วัตถทุกนี่ไปสู่นะนิานนะนนพานก็ได้นะเป็นเะป็นสะพานก็ได้น่าน่าสนใจทีเดียวนะเป็นสะพานก็ในในยะเดียวกันนั่นแหละครับนะคือพาเราสัตว์ข้ามข้ามห่วงมหนันนบนะแล้วก็ศีลเปรียบเหมือนท่าก็ได้นะฮะท่าที่จะลงสู่มหาสมุทมหาสมุทท่านเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพระนิพานนะ แสดงว่าการที่จะไปสู่พระนิพพานจะต้องมีท่าใช่ไหมครับเจนผ่านะแล้วก็เป็นท่าที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงท่านได้ใช้ท่านี้นะครับตั้งแต่พร ะ, ะพระพุทธเจ้าทั้งสามนะครับได้แก่อุแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ท่าเหล่านี้เนี่ยซึ่งสร้างดวยศีลเจนผ่านแสดงว่าศีลนี่มีความสําคัญมากเลยเจนผ่านนะฮะ <Okay. S 2> ครับก็ ข อ, ขอคงเพียงเท่านี้นะครับเคือเมื่อกี้นี้นึกถึงที่ว่าศีลเนี่ยช่วยทําให้ข้ามทางกันดาลนะกันดานคือสังสารวัตรเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบัตินรกเนี่ยคิดดูนะถ้าเราไปนรกแล้วมันจะสูญเสียขนาดไหนคิดดูมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะสมมติว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัวสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ย มันสูญเสียหมดเลยนะเอานี่ยนะภวังคจิตเนี่ยก็เป็นสันติรณะอุเบกขาจากคูราษาธามันก็แบบวัวจะไปดูอะไรมากมายนะักก็ไม่ได้ดูแต่หญ้าท้องก็ใหญ่กินทั้งวันนั่นแหละหูก็ไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมมีร่างกายมีอวัยวะเนี่ยวัวจะไปให้ทานก็ไม่ได้นะจะจัด ก, การทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าหากว่าคนศีลไม่ดีนะ ถึงให้ทานมากๆก็ไม่ได้แปลว่าพ้นอบายได้นละฉะนั้นเกิดเป็นสัตว์ในอบายโอ้โหแต่รวยจริงๆเลยอย่างเงี้ย ก, ก็ก็ไม่ไม่มีผลนะอย่างเขาเล่าว่าสุนัขบางตัวนี่เกิดมาปั๊บเนี่ยมีคนฝากธนาคารสตังค์ให้เลยนะมีคนดูแลรับผิดชอบหมดเลยนะมีตั้งทนายไปด้วยถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยไล่คนงานออกมีคนดูแลอะไรเบ็ดเสร็จหมดมีบุญขนาดนั้นเลยแต่ถาม่าเอาไหม ไม่น่าปราถนาเลยนะเนั้นคือการเกิดในอบายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบาปอกุศลประเภทโมหะแต่ว่าต้องไปไล่เป็นคนๆไปว่าคนนั้นเนี่ยมาจากกรรมอะไรอย่างเช่นการเกิดเป็นสุนัขของสุนัขบางตัวก็จากบมิจฉาทิฏฐิที่ไปเรียนแบบสุนัขคิดว่าจะได้ไปสวรรค์เป็นต้นอันนั้นไอท้ทิฏฐิอันนั้นที่ประพฤติจนบริบูรณ์ก็เป็นเหตุให้ไปเกณฑ์สุนัข ก, ก็ได้หรื อ, อคนที่ประทับใจะนะ ว่าอย่างนายโกตุฮาลิกะเนี่ยเห็นหมาเออหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเราเป็นมนุษย์ยังกินไม่ค่อยจะอิ่มเลยหมานี่มันดีจริงๆเลยนะใกล้จะตายขี้ถึงแต่หมาตายเกิดเป็นหมาเลยนั่นแหละดังนั้นคนมีคนที่มีจิตใจผูกพันแล้วก็บาปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองทําไว้นะสา ม, มารถที่จะน้อมไปในภพนั้นนั้นได้นั่นแหละดังนั้นไออารมณ์ก่อนตายนี่เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากแลเรารู้ไหมว่าเมื่อไรจะตาย การที่จะรักษาศีลทั้งอันนี้เป็นต้นไปนะมันจะทำให้เรานั้นมีความสบายใจมากศีลนั้นเป็นเรื่องของความสุจริตนะสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาและก็สุจริตทางใจถ้าหากว่าคนที่มีความสุจริตดีมากๆจะสามารถเจริญพรหมิหารง่ายนะสมถะนะถ้าคนที่ศีลไม่ค่อยดีนะสมถะนี่จเจริญยากนะเพราะว่าจิตไม่ ไม่สามารถที่จะกว้างขวางได้เพราะตัวเองไม่สะอาดพอนะขันศีนั้นผู้ที่จะเจริญสมถะเนี่ยจึงชําระสีนี่เป็นเรื่องหลักมากนะเป็นเป็นเบื้องต้นเลยเสร็จแล้วสมถะที่เพื่อวิปัสสนานั้นคนนั้นก็จะต้องเข้าใจเรื่องของขันธ์อายตนะเป็นอย่างดีมันจะเป็นระบบเลยนะแล้วพระพุทธเจ้านั้นทรงสแสดงเนี่ยสแสดงธรรมจะแสดงที่เรียกว่าอนุปุพิกถานเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยทานใช่ไหมทานเสร็จแล้วก็ศีน ทานผู้ที่ได้ทานกระสีจะทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมดงั้นความสุขของการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นนี่มีความสุขขนาดไหนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกุศลจิตไม่ได้เกิดง่ายๆขนาดนี้นะชีวิตความเป็นอยู่จะไม่ได้รับความสุขขนาดนี้เลยดงนั้นอากาศหนาวๆอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์ในอบายเขาไม่มีปัญญาทอผ้ามาห่มอะ่ะไม่สามารถที่จะไปหาซื้อที่ไหนมาห่มได้อะ่ะ นึกถึงไอ้จําเจ้าอ่ะที่บ้านพวกกรนอ่ะพอแดดมันออกแนละ้วมันไปตากแดดอยู่นั่นแหละโหหนาวมันใส่หนาวมาวมทั้งคืนอ่ะนะไม่มีเว้นไปหาผ้านะจะตัดเสื้อผ้าพนหนูมาใส่สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่มีความคิดขนาดนั้นหรอกเพรา ะ, ะการเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้วิเศษขนาดไหนแล้วสา ม, มารถที่จะได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อได้รับ ฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็มาตรึกพระธรรมคําสอนมองชีวิตให้ออกตลอดสายถ้าเราประมาทอีกเราก็จะไปเป็นแบบพวกนั้นแหละดังนั้นสิ่งเหล่านี้เรายังข้ามไม่พ้นใช่ไหมก็ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเพื่อให้ให้ปิดอบายได้จริงๆนะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ก็ปิดอบายจริงๆดงนั้นโสดาปฏิมครคเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่ได้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาสนรก แต่ถ้าหากว่าเรากัดฟันสู้นะศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่นานพระพุทธเจ้ายังบอกเลยพระ อ, องค์เนี่ยตรัสรู้แล้วถ้าเธอจักปฏิบัติตามเนี่ยไม่นานเพราะว่าไอ้วิธีการเนี่ยคิดให้หมดแล้วพระพระหลายองค์เนี่ยท่านเดินเดินจงกรมจนที่เรียกว่าเท้าเท้าเนี่ยแตกที่เดินของท่านเนี่ยเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยนะ ท่านกัดฟันเดินทําใจสู้ขนาดนั้นแต่คนที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรมนะถึงลองผิดลองถูกบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าตอนหลังได้ข้อมูลจริงๆแล้วเสร็จแล้วคนนั้นจะข้ามพ้นได้อันนเพราะนั้นเกิดจากตั้งใจจริงความเพียรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบากบั่นเพะนั้นความเพียรพยายามนั้นจึงเป็นหนึ่งในองมัชนั่นแหละเนั้นกุศลเหล่านี้เราทํำยังไงจึงจะให้เกิดได้บ่อ ย, อยเหล่านั้นก็เป็นอุบายวิธีที่จะ ทำให้จิตเป็นกุศลได้ อ, อ, อ, อันนี้คงมาเข้าเจริญเมตตาต่อผมมิหารต้องตั้งว่าท้ายท้ายชั่วโมงเป็นผมมิหารต้นต้นชั่วโมงเป็นเรื่องอื่นก็ดีทั้งหมดอลเนาะ คือเสียงเป็นเป็นกุศลหรืย อ, อกุศลอ้สสาธุเก่งมากเสียงเป็นอพยากตะเนาะชาวนะเป็นกุศลนะกุศลนะของเราต้องให้กุศลใช่ไหมถ้ากุศลไม่เกิดเสียหายนะนะไม่ใช่ประโยชน์แน่นอนเป็นไปเพื่อทุกโทษการเจริญกุศลในเรื่องของการเจริญพรหมิหารนั่นอะ ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นต้นเลยชั้นต้นของคนที่จะเจริญพรมมหารนั้นก็คือเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนนะเจริญเมตตาให้ตัวเองนั้นมีความสุขก่อนนะท่านทั้งหลายกลับไปบ้านเนี่ยคิดถึงให้ตัวเองมีความสุขบ่อยไหมนะถ้าคิดถึงให้ตัวเองมีความสุขบ่อยเท่าไหร่นะเราจะเจริญเมตตาได้เท่านั้นแสดงว่าปารับเมตตาเท่านั้น แต่ถ้าไม่ค่อยคิดให้ตัวเองมีความสุขเลยนะก็แสดงว่าเมตตก็อ่อนเท่านั้นอีกเหมือนกันและข้อต่อไปนะว่าอาเวโรโหเม่เนี่ยก็บอกว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเวรเวนเนี่ยนะก็คือทำให้คนนั้นน่ะนึกถึงคนที่เป็นศัตรูแล้วก็โกรธทนั้นเวลาที่เราโกรดนั้นก็แสดงว่าเราผูกเวรไว้กับผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงวิธีการแก้แก้เวรเหล่านี้เนี่ยนะมีหลายแห่งด้วยการซึ่งจะขอเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านให้ฟังอย่างเช่นข้อความในธรรมบทอีกนั่นแหละเรื่องพระติสสะเทระนะพระติสสะเทระนี้เป็นลูกของเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, านะ พี่สาวของพระเจ้าสุทโธทธนะเนี่ยมีอยู่คนนึงเป็ น, เ ป, นเป็นผู้หญิงอ่ะนะเสร็จแล้วก็มีลูกชื่อว่าติดสะเสร็จแล้วพระติดสะนี่ออกบวชนี้ความที่ท่านนี่เป็นเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาออกบวชเนี่ยท่านก็มานะมากอะ่ะเป็นนั่งศาลาเนี่ยโหนั่งเหมือนกับพระเถระเลยนั่นแหละทีนี้ตอนหลังนี่พระองค์อื่นๆท่านก็ตําหนิเอาอะ่ะว่าท่านเป็นพระพันศาน้อยท่านน่าจะเคารพท่านน่าจะประพฤติวัดน่าจะปฏิบัตินะ พระเนรท่านก็แนะนำสั่งสอนเนี่ยพระติสระเนี่ยโกรธใหญ่เลยโกรธแล้วก็ไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังอตอนหลังพระองค์ก็ทรงสแสดงว่าพระติสระเนี่ยที่มีอัธยาศัยแบบนี้ไม่ใช่ชาติดีชาติเดียวนะนะแม้แต่ในอดีตชาติก็เป็นผู้ที่มีมานะมากเหมือนกันมีโทสะแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันทีนี้ตอนหลังนั้นพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมสรุปว่า รองเรียกพะฏิสาวติสะก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้โนนด่าแล้วนะนึกถึงคำพูดที่ใครเคยพูดสักคำหนึ่งให้เราเจ็บใจเคยไหม น, นี่ะคนโนนด่าเราคนโนนประหารเราประหารก็คือถูกคนโนอนอตีมาถูกคนโนนเขาเคียนมาอย่างเงี้ยผู้โนนชนะเราแล้วผู้โนนได้ลักสิ่งของของเราไปแล้ว ดังนี้ชื่อว่าเวนย่อมระ ง, งับไม่ได้เพราะคนที่นึกแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยก็โกรธที่เพราะสิ่งที่คนอื่นเนี่ยได้ทำความเสียหายให้แก่เราอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงโกรธใช่ไหมเขาด่าเราเนี่ยทาความเสียหายไหมเสียหายสิใช่ไหมเ ข, เขาด่ากระทบกระทั่งเปรียบเปรยเปรียบเทียบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราฟังแล้วเราไม่สนุกเลยอะฟังแล้วไม่มีความสุขเลยอันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุให้เรา โกรธขึ้นที่เราโกรธอย่างนั้นเพราะเราได้ผูกไว้แล้วอ่ะเรียกว่าโกรธใบๆเรียกผูกโกรธโกรธใบๆโกรธเป็นประจำอั้นถ้าหากว่าเราไม่คลายความคิดอันนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญเมตตาต่อไปได้คนที่โกรธตัวเองคนที่โกรธอยู่ขณะนั้นชื่อว่ามีเมตตาต่อตัวเอง <c oughs> ไหมนะ <c oughs> เมตตาไม่มีแกตัวเองนะ แสดงว่าเราหงุดหงิดโทสะเกิดบ่อยๆปกติประจำนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่ขาดเมตตาถ้าขาดเมตตาอันนี้เนี่ยนะโทสะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าพยาปาทะถ้าพูดออกมาหรือเกิดการแสดงออกมาก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยโทสะถ้าสะสมบ่อยๆมากๆมีแต่ทุกข์โทษโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นไอเวยเหล่านี้เนี่ยย่อมระ ง, งับไม่ได้นะถ้าใครที่นึกถึงถ้อยคําเหล่านี้นึกถึงสิ่งทั้งหลายที่คนอื่นนั้นทําลายประโยชน์ให้แกเราอย่างนี้บ่อยๆแต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแลแเวยย่อมระ ง, งับได้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตัดคาถาว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความกโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเรา ผู้โน้ได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้ได้ด่าเราผู้โน้ได้ติเราผู้โน้ได้ชนะเราเราผู้โน้ได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ดันั้นการที่รู้จัก ตัดใจไม่ให้ผูกโกรธได้เนี่ยนะก็เป็นความเจริญอย่างยิ่งซึ่งในอัตถกถาท่านอธิบายว่าชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นคือมีคำด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำไว้ในใจบ้างน ะ, ะวิธีทำไม่ให้โกรธเึ้นก็คืออยับไปนึกถึงเรื่องนั้นอันนี้ก็คืออุบายแก้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นไปมโนประโยชนความฉลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือ อย่าไประลึกถึงเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้หรือไม่กระทำไว้ในใจไม่เก็บมาคิดเลยอะด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมก็ได้นะไม่ไม่เก็บมาคิดเรื่องนั้ น, น, นต่อไปก็ด้วยอำนาจกรรมว่าใครๆผู้หาโทษไม่ได้แม้ท่านคงจักด่าแล้วในพบก่อนคงจักประหารแล้วในพบก่อนคงจักเบิกพยานโกงชนะแล้วในพบก่อน ไอเหตุเหล่านี้เนี่ยที่เราเป็นอย่างนี้แสดงว่าอดีตชาติเคยทําไว้แล้วสิ่งของอะไรอะไรของใครๆท่านคงจักขมเหงชิงเอาแล้วในพบก่อนเพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคําด่าเป็นต้นดังนี้บ้างนะก็คือใส่ใจว่า เ, เหตุเหล่านี้ทําไว้แน่นอนและเราจึงได้รับผลลักษณะนี้ เวรของชนเหล่านั้นแม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบได้ด้วยการไม่ผูกโกรธนี้เหมือนไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นแหละก็คือ น, นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะที่ที่ในวิตต ก, กะสันฐานสูตรนั่นนะที่บอกว่าการคิดอ่ะการฉลาดคิดอ่ะคิดยังไงที่ที่อุบายในการระ ง, งับไอพยาปาทาวิตกอันนั้น่ะ อันน er ี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันในการแก้ปัญหาว่าเเมื่อโทสะเกิดขึ้นอันนี้ก็เอาคำสอนเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเราได้จนพใช่ถ้าเราฉลาดคิดเราก็ไม่โกรธใช่ไหมเหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละถ้าคนฉลาดคิดปั๊บจะจะไม่โกรธเลยใช่ไหมมีมีหลายแห่งนะว่า เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโทสะนะความโกรธนั้นก็เกิดจากการหึงหัวงก็มีเหมือนกันนะที่ที่เข้าไปโกรธแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดใจไม่ให้ผูกเวรกับคนเหล่าอื่นไดอ้อย่างเช่นในธรรมบทอีกนั่นแหละในนิรยะวักอ่ะ น, นะพูดถึงหญิงคนหนึ่งขี่หึงอ่ะ น, น ะ, ะเรื่องมีว่าสามีของหญิงนั้นได้ทำความเชยชิดกับหญิงรับใช้ในเรือนคนหนึ่ง พอบ้านนะแอบแอบไปได้เสียกับลูกจ้างอ่ะนะหญิงที่หึงนั้นก็มัดมือมัดเท้าหญิงรับใช้คนนั้นไว้แล้วมัดมือมัดเท้าเลยทำไงตัดหูตัดจมูกของเขาข <นะ S 1> ังเอาไว้ในห้องว่างห้องหนึ่งปิดประตูแล้วเพื่อจะปกปิดความที่กรรมนั้นอันตนทาแล้วก็ชวนสามีว่ามาเถิดนายเราจะไปฟังธรรมกัน ก็คือทำทำแบบนีเ้เสร็จก็ชวนสามีไปฟังธรรมพาสามีไปวัดนั่งฟังธรรมอยู่ขณะนั้นพวกญาติผู้เป็นแขกของนางมายังเรือนของนางแล้วเปิดประตูเห็นอาการอันแปลกนั้นแล้วแก้ยิงรับใช้ออกยิงรับใช้นั้นไปวัดกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระทศพลในถ้ำกลางบริสัทธสอันคนที่ได้เหตุได้ปัจจัยทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยนะ ย่อมก่อกรรมทำชั่วแบบลักษณะนี้แหละภะษาสดาทรงสดับคำของหญิงรับใช้นั้นแล้วตรัสว่าขึ้นชื่อว่าทุจริตแม้เพียงเล็กน้อยบุคคลไม่ควรทำนะบุคคลเนี่ยอย่าไปทํากรรมแบบนั้นด้วยสําคัญว่าชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมนี้ของเรานะส่วนสุจริตนั่นแลเมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้อยู่ก็ควรทำ เพราะว่าขึ้นเชื่อว่าทุจริตแม้บุคคลปกปิดทำย่อมทําการเผาผลาญในภายหลังส่วนสุจริตย่อมยังความปราโมทอย่างเดียวให้เกิดขึ้นสุจริตนี้ทางใจด้วยนะสุจริตมีสามทวารใช่ไหมทางกายทางวาจาและทางใจเพะนั้นไอ้ใจที่เป็นบาปเป็นต้นเนี่ยไม่ควรกระทําโดยส่วนเดียวนะั้นพระองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังส่วนบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่ตามเดือดร้อนกรรมนั้นเป็นกรรมดีอันบุคคลทําแล้วดีกว่าอันถ้าหากว่าผู้ที่ปล่อยให้เวรเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจบ่อยๆนะมันก็จะเริ่มผูกเวรเรื่องราวมันก็ลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆอันถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเห็นโทษของพยาบาทหรือเวรอันนั้นเท่าไหร่เราก็จะเจริญเมตตาได้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น เราก็จะเห็นทุกโทษของโทสะที่เกิดเกิดในจิตในใจของเรามากขนาดนั้นนนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการผูกเวร น, นะในธรรมบทมีมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอ่ากูมาริกากินไข่ไก่อ่ะนะจองเวรกัน500ชาติอ่ะ อลองฟังดูนะก็บอกว่าได้ยินว่าบ้านหนึ่งชื่อว่าปันดุดระอยู่ไม่ไกลเมืองสาวัตถีในบ้านนั้นมีชาวประมองอยู่คนหนึ่งเขาเมื่อไปยังเมืองสาวัตถีเห็นไข่เต่าริมฝั่งแม่น้ําอาจิราวัตีแล้วถือเอาไข่เต่าเหล่านั้นไปสู่เมืองสาวัตถีให้ต้อมในเรือนหลังหนึ่งแล้วก็เคี้ยวกินได้ให้ไข่ฟองหนึ่งแก่กุมาริกาในเรือนนั้น ต้มกินเองแล้วก็ฝากเด็กด้วยนะนางก็เคี้ยวกินไข่เต่านั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นก็ไม่ปรารถนาซึ่งของเคี้ยวอย่างอื่นครั้งนั้นมารดาของนางก็ถือเอาไข่ฟองหนึ่งจากที่แม่ไก่ไข่แล้วได้ให้แก่นางนะเด็กเนี่ยชอบกินไข่เหลือเกินอย่างเงี้ทงยทไงก็เลยไก่ที่บ้านก็มีฟองอะไรก็ เ, เอามาต้มให้ลูกกิน นางเคียวกินไข่ฟองนั้นแล้วอันความอยากในรถเนี่ยผูกแล้วจำเดิมแต่นั้นก็ถือเอาไข่ไก่มาเคี้ยวกินเองทีเดียวตอนหลังมาต้มกินเองเลยเวลาตกฟองแม่ไก่ก็เห็นนางกูมาริกาคนนั้นเน่ยถือเอาไข่ของตนเนี่ยนเคี้ยวกินอยู่ไขท่ทีไรเด็กก็ไปเอามาทุกทีนะถูกกูมาริกานั้นเบียดเบียนแล้วก็ผูกอาฆาตอย่านึกว่าไก่ไม่มีหัวใจนะ ใจที่โทสะนะไก่ก็มีเหมือนกันไก่ก็เลยผูกโกรธบ้างผูกพยาบาทว่าบัตรนี้เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วเพิ่งเกิดเป็นยักษณีผู้สามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจ้าทํากาละแล้วก็ไปเกิดเป็นนางแมวในเรือนนั้นนั่นเองตายจากไก่ไปเกิดเป็นแมวนางกุมาริกานอกนี้ทํากาละก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกัน แม่ไก่เนี่ยตกฟองทั้งหลายแล้วนางแมวก็มาเคี้ยวกินฟองไข่เหล่านั้นแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เคี้ยวกินเหมือนไก่แม่ไก่ก็ตั้งความปรารถนาว่าเจ้าเคี้ยวกินฟองไข่ทั้งหลายของเราตลอดสามคราวบัดนี้ยังจะเคี้ยวกินเราเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วเพ่งได้เพื่อเคี้ยวกินเจ้าพร้อมทั้งลูกเคลื่อนจากชาตินั้นก็ประเกิดเป็นนางเสือเหลืองเอ๊ะคล้ายๆกันนะไอ้พวกผูกเวร น, นี่จะต้องเป็นอย่างนี้แบบฟอร์มตายตัวหรือเปล่าไม่รู้ เรื่องคล้ายๆกันใช่ไหฝ่ายนางแมวนอกนี้ทำกาละแล้วไปบังเกิดเป็นนางเนื้อในเวลานางเนื้อนั้นคลอดแล้วนางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเนื้อนั้นพร้อมด้วยลูกทั้งหลายสัตว์อสองสัตว์นั้นเคี้ยวกินอยู่อย่างนี้ยังทุกให้เกิดกันแก่กันและกันห้าร้อยอั ต, ตาภาพห้าร้อชาตินะเจ้าก่อนนี่แค่สี่าชาติทอนนั้นเองใช่เจ้านี้ห้าร้อยชาติ ในที่สุดนางหนึ่งเกิดเป็นยักษณีนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดานะเรื่องราวตอนหลังก็จะเหมือนการเปี้ยเลยอตอนหลังพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าก็เวนย่อมระ ง, งับด้วยความไม่มีเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวนดังนี้แล้วพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมแก่ชนทั้งสองตรัสว่าผู้ใดย่อมปรารถนาความสุขเพื่อตนเพราะก่อทุกข์ในผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเครื่องระคนคือเวน ย่อมไม่พ้นจากเวรไปได้เพราะว่าก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยก็เรียกว่าทําทุกข์ให้คนอื่นเกิดขึ้นนะเมื่อไปด่าไปทําร้ายคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็จะทําตอบแกเราแบบนั้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดชีวิตจริงๆแต่ละวันแต่ละวันเลยนะลองดูนะถ้าเราฝึกเห็นแกตัวในในในบ้านนะทุกวันทุกวันเดี๋ยวคนอื่นก็จะเอาเอาเรียนแบบเราบ้างนะเราหัดด่านคนอื่นนะเห็นหน้ากันเหน็บ นะเห็นหน้าคนอื่นนะเริ่มเน็บเลยเนะี่ยเดี๋ยวคนอื่นเอาว่างถ้าเราชอบใช้วาจาเชื่อเฉินคนอื่นนะเดี๋ยวคนอื่นก็ซัดเราคืนบ้างนั่นแหละเสร็จแล้วถ้าเราเป็นคนนิยมโกรธนะโกรธบ่อยๆเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นหน้าเราเขาจะบึบ้องมากเมันก็จะตอบสนองกันก็คิดดูนะความรเ อ, อไฟอยู่ใกล้ฟืนยังติดเลยนะทําให้ฟืนเป็นไฟไปอีกได้ใจคนก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่กับคนชนิดไหนเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ สิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนก่อขึ้นเองอะ่ะนะมีโทษเนาะอันถ้าหาว่าเราสามารถที่จะเจริญเมตตาจเจริญความรักความหวังดีไปหาแก่คนอื่นได้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเริ่มเย็นเหมือนกันนะนะอันกุศลธรรมเหล่านี้เริ่มที่ใครเออคุณทั้งหลายน่าจะเจริญเมตากันนะปล่อยให้ผมโกรธอยู่คนเดียวว่าเอาไหม เ, เอาแล้วนั่นแหละแต่ถ้าคนคนนั้นนะเขาจเจริญเมตตาบ่อยๆเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเริ่มมีเมตตาไปด้วย บางทีนะคนที่มีเมตตานะคนอื่นเขาโกรธกันเขาไม่กล้ามาด่ากันต่อนหน้าคนนี้หรอกนะแอบไปทะเลาะกันที่อื่นเดี๋ยวคนนี้ไม่สบายใจอ่ะคิดดูนะถ้าคนมีเมตตาจริงๆอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ใจดีมากไม่ค่อยดุด่าลูกเลยนะเวลาลูกเนี่ยทะเลาะกันนะไม่กล้าทะเลาะต่อนหน้าพ่อแมอ่ต้องแอบไปทะเลาะที่อื่นให้เดี๋ยวแม่ไม่สบายใจอย่างเี้ยยังแอบไปทําที่อื่นเลยอันคนแม่ก็ยังไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละว่าลูกก็นึกว่ายังดีอยู่อั้นคนที่มีเมตตาบ่อยๆนะ จะไม่มีคนอื่นมาทําให้กระทบกระทั่งจิตใจง่ายๆนะคนอื่นเขาก็จะเอาแต่เรื่องดีๆเป็นต้นเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือให้คนคนนั้นมีความสุขแบบนี้ต่อไปแต่ในชั้นต้นนะเราต้องลืมบางท่านเนี่ยเออเราก็มาเจริญเมตตาทําไมคนโน้นเน็บแนมเราคนนู้ว่าเราคนนั้นว่าเราเราก็ถามว่าเออแล้วเคยว่าคนอื่นไว้ด้วยเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติบางคนเนี่ยโหเกิดมาตั้งหลายสิบปีแล้วใช่ไหม เพิ่งจะมาเจริญเมตตาได้สองวันใช่ไหมโอ้โหฝึกเจริญเมตตาสองวันไอ้คนนู้นทําไมทํากับเราอย่างนี้คนนี้อย่างนี้แม่เราก็อุตส่าห์เจริญเมตตาเลยนะโอแล้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วทําอะไรไว้บ้างอ่ะแมมันก็ยังว่าเนาะเหตุในอดีตมันก็ต้องให้ผลอั้นการคิดถึงเรื่องกรรมนี่ก็มีความสําคัญมากช่วยให้จิตเป็นเมตตาเกิดขึ้นง่ายแล้วตั้งตั้งใจอย่างนี้บ่อยๆถ้าหากว่าจิตเราคิดโกรธใครเมื่อไหร่ก็ อธิษฐานในลักษณะนี้บ่อยๆว่าเราไม่ต้องการมีเวรใช่ไหมเราต้องการความสุขใช่ไหมเราต้องการความเจริญใช่ไหมถ้าเรากระตุ้นให้ความคิดอันนี้เกิดกับตัวเองเท่าไหร่นะเมตตาเราจะกว้างเท่านั้นนะเมตตาเราจะกว้างเท่านั้นเราจะเริ่มเห็นใจคนอื่นเท่านั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องโทษว่าคนที่เจริญเมตตาไม่ได้ก็คือคนที่ คอยเพ่งเลงติดตามโทษคนอื่นเขาอะอย่างเรื่องพระอุชานสัญญีอุชานสัญญีก็คือคนที่คอยชาญ น, นิบแปล ว, ว่าเพ่งใช่ไหมแต่มันเพ่งโทษอะมันไม่ได้เพ่งเพ่งอารมณ์ชาญลักษณะลักขณูปณิสชาณอารามานูมมนปณิสชานอะไรราบก็คื อ, คอใครทำอะไรผิดพลาดไปบ้างอะหาเรื่องอย่างเดียวเลยนะมองหาเรื่องอย่างเดียวสายตาหาเรื่องเขาองั้น ได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่านั้นนะอันนี้ก็ชาญเหมือนกันนะแต่ว่าอุดชานสันยีนั้นเจริญนิปัสนาก็ตามเพ่งแบบนี้แหละแต่ว่าเพ่งคนละอย่างกันนั่นแหละอันนี้ก็เพ่งหาเรื่องอย่างเดียวบอกว่าภิกษุนี้ย่อมนุ่งอย่างนี้เอ๊คนนี้ก็นุ่งไม่เรียบร้อยนะฮะคนจะโกรธนะนุ่งก็ไม่เรียบร้อยบอกภิกษุนี้ห่มอย่างนี้เอ๊ห่มอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องโกรธดิ ก็คือหาเรื่องมสรุปแล้วไม่มีใครทําดีสักคนเลยนะต้องมีปัญหาให้พระรูปนี้ตําหนิให้ได้ภิกษุก็กราบทูลเนื้อความนั้นแต่ภาษาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระชื่อโน้นย่อมกระทําอย่างนี้โอ้ท่านบวชมาเป็นสิบสิบปีเหมือนกันแต่ก็ยังเที่ยวโอ้คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช่ไม่ได้ทาไมนุ่งอย่างนี้ทาไมหอมอย่างนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้ก พระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในข้อวัดกล่าวสอนอยู่อย่างนี้ใครๆไม่ควรติเตียนนะแต่แตถ้าเป็นคนที่ดีๆจริงๆเขาแนะนำะนะก็อย่าไปตำหนิเขาดีแล้วที่เขาแนะนำใช่ไหมเพราะว่าเรื่องการนุ่งการโหม่เนี่ยในพระวินัยเนี่ยบัญญัตินะในเสขียวัตรพงค์แสดงว่าพิงทำศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลเราพิงทำศึกษาว่าเราจัก ผมเป็นปริมนทนพึงทมศึกษาว่าเราจักไม่เวกผ้าเข้าในละแวกบ้านอย่างเงี้ยอันแต่ละอย่างเหล่านี้ก็เป็นวัดนะถ้าหากว่าคนที่รู้วัดค่อยๆแนะนำเนี่ยเขาตามแนะนำอ่ะอย่าไปเพ่งโทษติเตียนเขานะส่วนภิกษุใดสแสวงหาโทษของชนเหล่าอื่นเพราะความมุ่งหมายในอันยกโทษกล่าวอย่างนี้แล้วเที่ยวไปอยู่อันนี้เขาเรียกว่าคนหาเรื่องอ่ะบรรดาคุณวิเศษมีฌานเป็นต้น คุณวิเศษแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดเคลื่อนแกลภิกสูนั้นอาสะวะทั้งหลายเท่านั้นย่อมเจริญอย่างเดียวนะคนที่หาเรื่องนะอาสะวะ4จะเกิดอย่างเดียวางั้นอาสะวะข้อที่1คืออันนะอะไรนะีกามาสะวะใช่ั้ยก็แสดงว่าหาของดีอ่ะหาไม่เจอก็เจอแต่ของไม่ดีอั้นกามาสะวะก็เกิด2ทิฏฐาสะวะส ภาะวะและก็อวิชาสะวะตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คืออวิชาภวะคือคำว่าอาสะวะนั้นเป็นชื่อของเครื่องดองอะนะหรือหมายถึงชื่อของทุกโทษคำว่าอาสะวะนั้นศั์โดยสับนี้ไม่ได้แปลว่าอกุศล ส, สีอย่างนี้เท่านั้นนะบางทีอาสะวะนั้นเป็นชื่อของอาสะวะในวินัยนะอำนาจประโยชน์สิประการที่พระ อ, องค์ทรงสแสดงว่า ดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายเราจาักบัญญัติศึกขาบทอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการแก่เธอทั้งหลายอาจจะมีอยู่คู่หนึ่งว่าเพื่อป้องกันอาสะวะนะเพื่อกำจัดอาสะวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาสะวะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงเรื่องเสียหายนะอาสะวะตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเรื่องเสียหายนะเช่นคนที่ผิดวินยัยพระสงฆ์ที่ผิดวินยัยก็จะมีชื่อเสียงถูกดา่าถูกอะไรเป็นต้นมาอย่างี้ มันก็ไม่เหมาะสมแหละก็แสดงว่าที่เสียเนี่ยเพราะผิดพระวินยัยอั้นพระองค์เนี่ยจะบัญญัติวินัยการในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั้นทุกโทษต่างๆการเสียชื่อเสียงเป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าเป็นอาสะวะอย่างหนึ่งเหมือนกันและก็เพื่อป้องกันอาสะวะอันจะบังเกิดในอนาคตนั้นคําว่าอาสะวะนี้ก็เป็นชื่อของอบายทุคติวินิบาตในรกเพราะว่าถ้าหากว่าภิกษุไม่ปฏิบัติตามวินัยเนี่ยเป็นเหตุให้ ไปสู่อาบายทุกตวิวินิบาศนรกฉนั้นคำว่าอาสะวะคู่นั้นเนี่ยข้อแรกหมายถึงเสียหายในความเสียหายในชาติเนี่ยอาสะวะอันหลังนี้ก็เป็นชื่อของอาบายทุกติวินิบาศนรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่คอยเพ่งโทษอย่างนี้มีแต่อาสะวะคือเรื่องเสียหายในชาตินี้ก็เสียหายเลยใช่ไหมอุย้ยคนนี้ขี้โกรดจริงๆเลยนะทำไม่ดีเดี๋ยวคนนี้มักบ่นเนี่ยเสียหายแล้ว ไปที่ไหนเนี่ยกิติศัพท์เนี่ยจะดังมากเลยอย่างอย่างพระบางองค์เนี่ยนึกถึงบางวัดเนี่ยท่านเป็นคนเป็นคนดุอะชอบหาเรื่องคนนั้นคนนี้นะโอ้ข้ามภาคคนยังรู้จักชื่อท่านเลยก็เอยถึงวัดนั้นปั๊บตรงนึกถึงองค์นั้นเลย อ, องค์นี้ น, นีสายไม่ดีอะมันก็ค่อยๆกระจายไปเรื่อยชื่อเสียงเป็นต้นก็ก็ไม่ดีละแต่ถ้าหากว่าอากุศลเหล่านั้นเกิดบ่อยๆเข้าโอ้ใครน่าจะไปอบายนะถ้าคนทําบาปแบบนี้ไม่ไปอบายแล้วใครจะไปเนาะ อันพระองค์ก็เลยแสดงธรรมว่าคนที่คอยเพ่งโทษแบบนี้บ่อยๆนะคุณวิเศษแม่แต่อย่างหนึ่งเนี่ยนะมีชานเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีแต่อาสวะเหล่านี้จะพอกพูนมากขึ้นพระองค์ก็ตรัสว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล น, นั้นผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นตรงนี้เนี่ยอุชานะสั ญ, ญโยเนี่ยนะท่านแปลว่าคอยดูโทษไม่แปลว่าเพ่งะ บางทีแบบว่าเพ่งอาจจะเข้าใจยากะนะบบคอยตามคิดถึงโทษแต่คนอื่นน่ะผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิด mm. แต่ความผิดอย่างนั้นเถอะบุคคล น, นั้นเป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสว ะ, ะ, ะคำว่าอุชาณสั ญ, ญโนความว่าบรรดาธรรมะทั้งหลายมีฌานเป็นต้นธรรมะแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ผู้เชื่อว่ามากไปด้วยการยกโทษเพราะความเป็นผู้แสหาโทษของชนเหล่าอื่นว่าควรนุ่งอย่างนี้ควรห่มอย่างนี้เป็นต้น น, นะนะคือเรียกว่าหาแสหาเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่โตหรอกโดยที่แท้อาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญเพราะเหตุนั้นบุคคล น, นั้นจึงเชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลคือแสนไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสะวะคือพระอรหรอันต์นะก็คือขณะที่โทสะเกิด ศีลก็ไม่เกิดใช่ไหมขณะที่โทสะเกิดสมถะก็ไม่เกิดขณะที่โทสะเกิดวิปัสสนาก็ไม่เกิดเออคิดดูนะถ้าเราโกโรธโโทีหนึ่งเนี่ยนะศูนย์เสียหายขนาดไหนใช่ไหมถ้าเรามาลองไล่ดูนะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีค่ามากมายมหาศาลใช่ไหมถ้าไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลเนี่ยโกโรธทีหนึ่งนะไอ้ความดีเหล่านั้นเนี่ยหมดเลยจากใจเราขนาดนั้น คนที่โกรธนะเสียทรัพนะเสียทรัพย์คือทรัพย์คือศรัทธาตอนนั้นไม่เหลือเลยนะนะคนโกรธทรัพย์คือศีลก็หมดไปคนโกรธทรัพย์คือสุตะก็หมดนะเพราะฟังแทนที่จะเป็นสุตะชาวนะเป็นกุศลใช่ไหมสุตะก็คือชาวนะเป็นกุศลนั่นแหละแต่ถ้าชาวนะเป็นอกุศลก็ไม่น่าจะเชื่อว่าสุตะเป็นทรัพย์อะไรถึงได้ยินได้ฟังอยู่ก็ช่างเถอะ เสียทรัพย์คือจากะเสียทรัพย์คือฮริเสียทรัพย์คือโอตตปะเสียทรัพย์คือปัญญาอันโหโทสะเกิดนะทรัพย์อริยทรัพย์ก็เสียหายเคยได้ยินไหมว่าโกโรธทีหนึ่งได้ทา น, นบารมีข้อหนึ่ ง, งมีไหมบารมีสิบก็เจ้งอีกบุญกิริยาวถุสิบก็ไม่เหลือศีลสมาธินะสมถะเนี่ยนะกรรมฐานสี่สิบที่พระองค์ทรงสแสดงไว้เยอะแยะสมถะเหล่านั้ น, ก, น, น ก, ก็หมดไปวิปัสสนานะเรื่อง ขันธะอายตนะวิปั ส, สนาแต่ละอย่างเหล่านั้นก็หมดไปอีกนะคิดดูนะโทสะเกิดขึ้นหนึ่งเนี่ยเสียหายประโยชน์มากมายมหาศาลเลยในขณะนั้นะนะเป็นผู้ฆ่าภายในใช่ไหมพวกกันเป็นศัตรูภายในเป็นฆ่าศึกภายในนะซึ่งเพชฌฆาตภายในทำลายหรือล่าหาแต่ความเสื่อมเสียเสื่อมประโยชน์ให้แก่เราโดยทายเดียว ทุกการไม่มีอะไรช่วยบ้างเลยนะ่ให้ลงพี่ท่านมาใหม่ท่านจะมีความเป็นอะไรไหมครับอ่าอีกอีกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยนะ อย่าง <c oughs> เมนทะกะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ที่ใหญ่มากนะนะเป็นปู่ของนางวิสาขาซึ่งนับว่าเป็นมหาเศรษฐีหนึ่งในจํานวนของมหาเศรษฐีในเมืองราชครึกนะรวยมากอะ่ะแค่ดูขนาดหลานเนี่ยยังรวยครับแบบนางวิสาขาเนี่ยนะวัว น, นี่เป็นหลายหมื่นเลย <c oughs> ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเศรษฐีเนี่ย ได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเสด็จมาก็ส่งให้นางวิสาขาเนี่ยไปต้อนรับนางวิสาขาก็ได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ขวบทีนี้ตอนหลังเนี่ยเศรษฐีเนี่ยจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ า, าเองทีนี้ในช่วงที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยนะพวกเดรธีนิครนนับถือาศาสนาต่างๆนี่อย่าไปหาเลยอย่าไปหาพระสมณะโคโดมเลยท่านเชื่อกรรมสมณะโคโดมไม่เชื่อกำนะเขาเรียกว่าหาข้อมูลไปโจมไป โจมตีพระพุทธเจ้ากับเศรษฐีนี้บ่อยๆเข้าเสร็จแล้วตอนหลังก็เศรษฐีนี้ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้ว่าเราจะทำการรับเสด็จของพระศาสดาออกไปอยู่พบพวกเดรัจฉีในระหว่างทางแม้ถูกพวกเดรัจฉีเหล่านั้นห้ามอยู่ว่าครึ่หาบดีท่านเป็นผู้กิริยาวาะทะกเรียกว่ากิริยาก็คือเชื่อการกระทำอะนะเชื่อกและผลของกรรมแบบนี้ จะไปสู่สำแนักของพระสมณะโคโดมผู้เป็นอาคิริยะวาทะได้อย่างไรออท่านเชื่อกรรมนะสมณะโคโดมไม่เชื่อกรรำนะอย่าไปหาเขาเลยว่างั้นเพราะเหไรว่างั้นก็มิเชื่อถ้อยคําของพวกเดรธีเหล่านั้นเที่ยวไปเศรษฐีนี่ก็ไม่เชื่อหรอกเมนทะกะเศรษฐีเนี่ยไปถวายบังคมภาษาสดาแล้วก็นั่งนะส่วนสุดข้างหนึ่งลําดับนั้นภาษาสดาตรัสอนุภุพิกะถาแก่เศรษฐีนั้น ในเวลาจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปฏิพลแล้วก็กราบทูลความที่ตนเนี่ยถูกพวกเดรถีกล่าวโทษห้ามไว้แด่พระศาสดาคือโหผ่านด่านมาเยอะเหลือเกินเนี่ยกว่าจะมาถึงพระผู้มีพระภาคคครั้งนั้นพระศาสดา ก, ก็ตรัสกับเศรษฐีนั้นว่าเครือบดีขึ้นเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้โดยมาก ย่มอมโปรยโทษของชนเราอื่นแม้ไม่มีอยู่กระทําให้มีราวกับบุคคลเนี่ยโปรยแกลบลงในที่นั้นๆฉะนั้นคือทุกโทษของตัวเองเนี่ยนะโทษตัวเองมากขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยนะแต่สมมติว่าโทษของคนอื่นเล็กน้อยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขามีขี้ตาอยู่นิดเดียวมองเห็นนี่ยแ ต, แต่ตัวเองมีความผิดร้ายแรงมากมายมหาศาลไม่เห็นแล้วนะ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคล น, นั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นดั้ น, นั้นคนที่คอยเพ่งโทษตัวอื่นแบบนี้บ่อยก็ไม่ใช่เมตานะคือช่วงนี้กาลังเอาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับ เมตตามาพูดก่อนเพราะ ง, งั้นไอ้พวกเรานี่ไม่ใช่เมตตาทั้อย่างนะคนที่เจริญเหตุแบบนี้บ่อยๆนะไกลจากมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อเสียหายทุกอย่างเพราะงั้นถ้าเราเห็นโทษอันนี้บ่อยๆเราก็สา ม, มารถที่จะสมาทานหรืออธิษฐานให้จิตเนี่ยเป็นเมตตาได้ง่ายนะเมตตาต่อตัวเองเกิดขึ้นง่ายเมื่อเมตตาต่อตัวเองเกิดขึ้นปับ๊บเจริญไปหาคนอื่นเลยนะก่อนนอนเนี่ยคิดสักทีก็ยังดีนะ หลายท่านอาจจะคิดนะคนที่เจริญเมตตานี้ยเขาเจริญยังไงกันบ้างเอ้าใครเจริญยังไงบ้างลองแสดงความคิดเห็นหน่อยดิเคยไหมครับอยากให้ตัวเองมีความสุขเพื่อเป็นเป็นอะไรฮะเป็นพยานว่า ว่าการเจริญว่าคนอื่นก็รักรักสุขเราก็รักสุขเหมือนกันเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยถ้า mm hmm. เจริญในตัวเองก่อนเนี่ยอันนีถ้ถ้าอยู่ใกล้กับคนที่มาโกรธบ่อยๆไม่ใช่คนที่เป็นเพื่อน่วงงานก็ดีเพื่อนมิตรในเรือนก็ดีเง มากโกรธเนี่ยเราเราต้องเจริญเมตตาบ่อยๆเพราะไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเป็นได้ได้มันมามาทางหวงวรร ม, มูบ่อยๆเป็นร่วงวิจิกรรมบ่อยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เจ็บอันคนที่ที่อยู่ร่วมกันน่ะนะต้องหมั่นเจริญเมตตาเกี่ยวกับ กายกรรมต่อหน้าก็ต้องมากพอสมควรนี่ยนะการช่วยเหลือการงานต่อกันแล้วก็เขาทำอะไรไม่เรียบร้อยเมตตากายกรรมรับหลังก็ต้องมากหน่อยไม่คำนึงถึงความผิดเหล่านั้นที่เขาทำเอาไว้แต่ไม่ใช่ไม่รู้จักแนะนำคนอื่นก็เลยน ะ, ะแนะนำก็ชื่อว่าเป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารู้จักแนะนำรู้จักให้กำลังใจรู้จักให้อาภัยเขาได้นะ แล้วก็บอกเขาแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่โกรธไม่ว่าเดี๋ยวก็เก็บเองไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้อยางนี้อาจจะไม่เมตตาไม่จริงถ้าเราเมตตาเขาจริงๆนะเราจะดูว่าเออคนนี้นะถ้าปล่อยคืนให้เขาทําตัวแบบนี้นานๆอะไรจะเกิดขึ้นเขาเสียหายใช่ไหมถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่สามารถแก้ไขได้เขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็เสียหายเราก็ช่ว ย, ช, วยช่วยกันแก้ไขเข้าไปอันนี้ก็เป็นเมตตาวาจีกรรมต่อหน้านะการแนะนําประโยชน์ให้เขาเกิดขึ้นนะนะ แต่ในขณะเดียวกันนั้นวาจาสุภาษิตก็มีมีองค์ใช่ไหมนะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่โอ้โหแนะนำตอนที่กำลังโทสะเลยที่เขาเล่าว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะสอนลูกต่อเมื่อมีโทสะออสอนลูกเนี่ยดีละโมทนาด้วยนะแต่ว่าขณะที่โทสะเกิดขนานั้นไม่ดีที่สอนเนี่ยดีแล้วแต่ว่าตั้งจิตให้เป็นเมตตาให้มากๆก่อน เมื่อเมตตาจิตเกิดขึ้นแล้วคุยกับเขาด้วยเหตุผลจริงๆเขาจะรับง่ายก็คิดดูนะใครมาคุยกับเราด้วยโทรศัพนี่เราไม่ค่อยอยากรับนะถึงเรื่องนั้นมันดีก็ช่างเดอะใช่ไหมถึงถูกก็ตามเราก็รับไม่ก็ได้เพราะคนพูดนั้นไม่ได้พูดด้วยจิตที่หวังดีจริงๆแต่ถ้าหากว่าคนพูดที่เรื่องที่เขาพูดด้วยจิตที่ดีจริงๆนะเรื่องนั้นถึงประโยชน์ไม่ค่อยมากแต่เราก็สนใจฟังนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ประโยชน์มากมายมหาศาล เมตตาอันนี้สูงถึงสูงครับเพราะว่าเจริญยากมากถ้าผู้ใดเจริญได้นะโอ้อันนี้สูงสูงมากาต้องประกอบไปด้วยปัญญาหลายอย่างทีเดียวแล้วก็ข้อสำคัญคือต้องเห็นโทษของโทสะเนี่ยต้องเห็นโทษของโทสะที่เราที่เราที่เราได้รับนี่นะนถ้าคิดถึงโทษบ่อยๆนะครับคิดถึงเวลาเกิดโทสะแล้วเรารู้สึกละอายอะละอายตัวเอง นะแล้อายคนอื่นด้วยแล้วละอายตัวเองด้วยโอ้ไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะฮะโอกาสโอกาสเจริญเมตตามีมากแต่ถ้าบอกว่าเราเจริญเมตตาเพื่อหวังหวังกุศลนะหวังได้บุญมากๆผิดกันเยอะ<า>ผิดกันเยอะการเจริญเมตตาที่ไ ด, ได้บุญมากๆกับคําว่าได้บุญมากๆนะโดยศัพท์ก็ใช้ไม่ถูกไม่ผิดนะอย่างเช่นเจริญเมตตาเพื่อให้บุญเกิดมากๆ บุญนั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของจิตสแสดงว่าเจริญเมตตาเพื่อเมตตาเจริญเมตตาเพื่อให้บุญเยอะก็คือเจริญเมตตาเพื่อให้เมตตามันเกิดมากๆขึ้นอ่ะการเจริญเมตตาเพื่อพัฒนาจิตะนะถ้าถ้าเฉพาะตามศัพท์นะถ้าฟังแบบคนธรรมดาฟังเลยว่า อ, อคำพูดว่าเจริญเมตตาจะเอาบุญเยอะๆก็สแสดงว่าเขาเจริญเมตตาเพื่อให้เมตตามันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คงไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าเจริญเพื่อที่อยากจะได้ ผลเยอะๆผลที่มันเป็นอ น, นิสงส์เยอะๆอะไรอย่างงี้ยนะฮะแต่กับกับผู้ที่เจริญด้วยเหตุด้วยผลนะว่าเห็นโทษของโทสะนี่ต่างกันเยอะเหมือนกันเจนพอ่อคือการเจริญเมตตาในลักษณะนี้นั้นเป็นการพัฒนาจิตนะจริงๆเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาตั้งหลายสิเรื่องอ่ะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอคุสลชนิดโทสะเนี่ยนะมันก็จะลดลงได้อันสายอมมาพึก ส่วนนึงนะคนที่เป็นอัมพฤกษ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมักโกรธและคนที่เป็นโรคหัวใจนะหลายท่านที่รู้จักเนี่ยเป็นคนมักโกรธมากเลยที่ที่เป็นโรคหัวใจคือหัวใจมันไม่ค่อยปกตินะคนที่โกรธเนี่ยนะหัวใจมันเต้นแรงกว่าธรรมดานะเราสังเกตดูเวลาเราโกรธนะสังเกตดูกล้ามเนื้อสังเกตดูร่างกายทั้งหมดของเราเนี่ยแต่โดยความรู้สึกเราก็สามารถที่จะเช็คได้ระดับหนึ่งแล้วว่าโอมันนํามาซึ่งทุกโทษนี่โดยโด ย, โดยต่อร่างกายนะ และยังมีผลต่อต่อไปในภายภาคหน้าด้วยอวันก่อนได้ยินโยมผู้การเล่า ว, ว่าไอ้ที่ว่าสัตว์ก่อนจะตายใช่ไหมโทสะแล้วมันหลั่งอะไรออกมาชนิดหนึ่งมันมีโทษต่อผู้ที่ไปรับประทานานั้นก็ก็สัตว์ที่ตายเวลามันเกิดโทสะมากๆมันก็มันก็หลั่งสารที่มีพิษออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมันมันตกใจมากมันกลัวมากนเนี่ยแล้วเราก็ไป กินอาหารประเภทสัตว์ใหญ่ๆน ะ, ะที่มันพอรู้อย่างวัวอย่างควายเงี้ยเวลาเราต้อนมันไปเนี่ยมันพอรู้ทีเดียวมันน้ำตาลไหลอ่ะพอต้อนมันไปมันพอจะรู้ตัวนะว่ามันมันจะต้องไปตายเนี่ยก็พูดถึงว่าถ้าโทษะนี่นะฮะพูดถึงว่าลองสํารวจตัวเองว่าไอ้ใครๆก็มันไม่ดีไปหมดนี่เห็นจะต้องมาถามตัวเองนะผมว่าเราถามตัวเองคนที่มีบริวารเยอะๆนะ มีเกี่ยวข้องกับข้องมีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเยอะๆเช่นในที่ทำงานก็ดีนะหรือตัวท่านเองมีฐานะตำแหน่งที่ต้องปกครองลูกน้องเยอะๆนี่นะต้องถามตัวเองมากๆเลยมีเพื่อนเยอะๆนี่คนอื่นมันเลวไปหมดนี่ต้องมานั่งคิดแล้วนะครับตัวดีตัวเราดีคนเดียวหรือยังไงนี่นะ อันนี้ต้องต้องมาสอบสวนดูแล้วถามตัวเองได้เลยถ้าเกิดมันมีมามา ง, างไอ้คนอื่นเลยียนไปหมดนี่ชักต้องสงสยัยว่าเราเราขานเมตตาแนละ้วแล้วก็เรื่องเรื่องนี้นี่นะครัใครมาเตือนก็ไม่ได้นะโอ้เรื่องกิเลนนี่ใครมาเตือนโกรธนะทั้งที่เป็นความจริงนี่คุณนะ่ะคุณนะ่ณนะเป็นคนที่เบาๆหน่อยสิเท่านั้นแนะ่ะไม่พอใจเลยนะนะไม่ต้องมาบอกตรงๆว่าคุณขี้โกรธนะ เพงแต่บอกว่าหมคุณร้อนแรงเหลือเกินเท่านี้เราเหมือนกันหรือคนมาชมลักษณะที่เออคราวนี้คุณค่อหินชั่วหน่อยนะก็ไม่ได้นะเพราะเรื่องกิเลสนี่ใครจะมาเตือนไม่ได้นอกจากตัวเองครับผมรับรองได้เลยใครมาเตือนถ้าเกิดเรื่องเลยแม่เพราะว่าอะไรครับเพราะมันรักตัวมากครับสักกายะทิฐินี่นะสักกายะทิฐินี่นะเป็นต้นกําเนิดของบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายเลยนะถ้าหากว่าสักกายะทิฏฐิเนี่ยนะคร เพราะว่าเรายึดอะไรครับเราไม่ได้ยึดรูปอย่างเดียวเป็นสักกายญาติทิฏฐิเรายึดนามด้วยครับยึดเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเนี่ยนะใครมติวิญญาณของเราเสียนี่โอ้โหวิญญาณคุณบกพร่องวิญญาณคุณเต็มไม่ได้โทสะอะไรเงี้ยนะโอ้ได้เรื่องเลยนะนี่เป็นเรื่องที่มันแปลงนะนอกจากตัวเองจริงๆเลยนะที่จะแก้ไขเนี่ยคนอื่นนี่ยากมาก ถ้าจะสอนใครนะก็มันจะไปสอนตรงตรงนี้ไม่ได้นะไปสอนตรงตรงไม่ได้นะคือถึงสอนตรงๆนี้ก็ต้องคนที่สอนนั้นจะต้องดีจริงๆอ่ะใช่ไหมยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเออธรรมดาภิกษุนะเธอบวชมาแล้วไม่ควรโกรธนะอย่างเงี้ยคืออ่าถ้อยคําคําเดียวกันเนี่ยต้องดูว่าออกจากปากใครถ้าอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยเจริญฌานาจิตก่อนใช่ไหมแพ่เมตตาใส่ไปก่อนเลย พูดแบบตํานวน ท, ทั่วไปนะแผ่เมตตาแผ่กุณาเนี่ยใส่ด้วยจิตที่เป็นชาญจิตนะเห็นหน้าพระพุทธเจ้านี่คนมีความสุขแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็พูดหันหน่าฟังจริงๆเลยคนที่พูดด้วยเมตตาจริงๆนั้นนะ่ะจึงเป็นคนที่ที่น่าฟังมากเพราะว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่หวังประโยชน์กับเขาจริงๆอะ่ะเขา จ, งขาจึงรับได้โดยง่ายอั้นเมื่อไรก็ตามถ้าเราทําแล้วทําในลักษณะหวังประโยชน์ต่อคนอื่นเขาจริงๆนะ คนอื่นเขาจะรับในสิ่งที่เราให้ง่ายมากถึงเขารับวันนี้ไม่ได้แต่คนที่หวังประโยชน์จริงๆต้องรอได้ใช่ไหมว่าเออให้เขาวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้ไหมประเดินนี้ได้ไหมต้องรู้จักร อ, อการรอนั่นก็คือบารมีไหมเป็นบารมีข้อไหนขันติบารมีขันติก็คืออัโทสานั่นแหละนั้นออกมาในรูปแบบว่ารอได้หรือบารมีเนี่ยทาไมท่านจึงเรียม ทานศีลเนคขมมะตัญญาวิริยะและขันติดังนั้นคนที่ถ้าขาดขันตินะความเพียรพยายามอันนั้นก็สำเร็จยากนะพระ อ, องค์จึงเรียงขันติบารมีเนี่ยต่อจากวิริยะบารมีนะเพียรพยายามนี่ดีแล้วแต่ต้องรอได้นะต้องทนได้นะนะแล้วก็เพราะว่าการเจริญกุศลเนี่ย มันก็ยาวนานใช่ไหมไม่สามารถที่ใครจะทําภายในวันสองวันเสร็จได้งนั้นขันติอดทนไปต้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากดังนั้นคนที่มีขันติอดทนนั้นสามารถที่จะทํรายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานสิ่งใดก็ตามเมื่อทําได้ต่อเนื่องยาวนานสิ่งเหล่านั้นจึงจะมีมีเดชไม่ใช่ทําวันถ้าพึ่งทําดีวันสองวันเนี่ยนะยังไม่เกิดเดชหรอกแต่ถ้าทําดีได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ย ถ้าทำดีได้ยาวนานระดับมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเดชมากขนาดไหนใช่ไหมของเราเนี่ยพูดถึงท่านเรายังยกมือไหว้ท่านเลยท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเรายังเคารพเรายังกราบเรายังถึงท่านเป็นสารณะเพราะท่านเป็นผู้ที่สะสมความดีอันนี้ได้ยาวนานยาวนานจนถึงว่ายี่สิบอสงไขยแสนกับนะนับตั้งแต่วันปรารถนา